สวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะดิฉันสรรเสริญนาคพงษ์นะคะและ มีโอกาสสนทนาทํากับท่านผู้ฟังรายการที่ฟังวิทยุเนี่ยอืมแล้วก็บางครั้งเลยบางทีอาจ ในเรื่องของศีลในศีลเนี่ยคือความเป็นปกติเหมือนปกติก็คือว่ามนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยๆพุทธเจ้าใช้คํา เขาก็ 1 ในองค์ประกอบ 11 อย่างนะคืออย่างนะ 11 อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง 1 ในนั้นคือ<ใช> ในแดงบ้านนอกนี่เค้าจะมีจับกบจับเกียดเอ่อหรือว่าทําในเมืองกลับ 5 ได้ยาก 4 ได้ยากกว่าในขณะ 4 กันนะไม่ถึงเรื่องโกหกอย่าง <6. S 1> นะ. 3 นะศีลข้อค่ะเพราะ ทำไม่ได้เอ่อศีลนี่มีอานิสงส์มากจริงๆเพราะว่าถ้าเรารักษาได้เนี่ยครับพระพุทธองค์ตรัสว่านอกเหนือ มีอีก 10 เรื่องอะไรล่ะคะท่านค่ะอันนี้มาในเอ่อสุปุติสูตรนั่นคือสุปุติเนี่ยเป็น 11 อย่างนี้ เรื่องของคนที่มีศีลนะศีลถ้าสําหรับพระก็คือเอ่อศีล 2 ค่ะ 3 คือเป็นผู้ที่เอ่อสังสม เหมือนงานที่เบื้องต้นทำกลางที่สุดนั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์ซึ่งเชิงพร้อมทั้งอัตตาพร้อมเพ่ง 3 เอ่อข้อที่ 4 ก็คือเป็นผู้ที่ 5 เนาะ 5 คือ นะบอกง่ายรับฟัง นะ, 5 ข้อที่ 6 ก็คือเป็นผู้ที่ๆนะถ้าตัวเองทํา<น> 6 ข้อที่ 6 ตรง เจ้าความเพียรหรือวิริยะเนี่ยเป็นการทําจริงมันอยู่ในใจของเราแต่ส่วนในความ 6 ข้อแล้ว 6 นะ 7 ก็เป็นผู้ อ่ะเป็นผู้ที่มีๆเนี่ยแล้วก็ฟัง <Okay. S 1> 7 ค่ะ <Okay. S 1> 8 นั่นก็คือเป็นผู้ที่ได้ 4 นะ 4 คุณข้อ 10 ข้อ 11 นี้ น่ะก็คือรู้อดีตน่ะคือบุพเพนิวาสานุสติญาณนะรู้ว่าใครไปก็ <Okay. S 1> แล 10 แล้ว 11 ค่ะมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ ต้องเป็นพระ 3 ด้วยอืม 1 และ 2 ค่ะแล้วอ่าคืออันเนี้ยท่านไตรบุญกําลังพูดถึงพระ 5 นี่ก็ได้ใช่คือคือหมายความ หรือจะใช้แบบอัญชนะว่าถ้าสมมุติคุณมีข้อนี้ชื่อว่าคุณมีศรัทธาอีกประการนึงถ้าคุณมีนี้ก็คือแล้วค่ะมีความเพียร มีความประมุติอย่างยิ่งมีใช่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วมีศรัทธาสมมุติว่าเรามีคุณสมบัติหลายข้อในนี้หรือว่ามีข้อใดข้อ เอ่อความศรัทธาเนี่ยจะนํามาเพื่อซึ่งการปฏิบัติในการปฏิบัติในจิตพอเรามีการปฏิบัติการทําในใจอย่างนี้แล้วเนี่ยสติเราจะเกิดใช่ศรัทธา จะพาให้เนี่ยมันที่สุดปลายละอืมเอ่องั้นก็ค่ะศรัทธาใช่ค่ะทีนี้มีคําถามซึ่งเนี่ยถูกถาม อืมก็คือเราไม่อ่าเค้าเรียกว่ายิน ก็ไม่ใช่ไม่สภาวะที่ไม่ยินร้ายเอาจิตแบบนั้นตรงนั้นไรก็คือไม่ยินร้ายเฉยๆเข้าใจนะเพราะไอ้สภาวะที่ไม่ แล้วเราก็จะๆท่านยังไม่เคยเริ่มต้นทําอะไร ในในความ 6 อย่างนั้นคือสมมุติเราได้เงินได้ทองได้เอ่ออะไรต่างๆเนี่ยก็ๆเนี่ยไม่มีอะไรจะไปกว่าการๆเลยดี เกิดอย่างกับศรัทธาในพระพุทธองค์รักษาศีลหรือว่าเป็นศรัทธาที่คนอื่นเค้า เนี่ยก็อะไรเป็นเรื่องเดียวกันโทรเรื่องนะคะคนเรื่องกันก็คืออันนี้ 27 ตุลาคมวันอาทิตย์ 27 ตุลาคมณ สนใจทําบุญไปไม่ได้ทํายังเอ่อก็จะมีบัญชี 1 เป็นบัญชีของวัดที่ได้อยู่ ท่านได้มีความรู้แล้วก็นําเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้สําหรับคําสอนของพระศาสดาว่าเราเป็น อ่าต่าง 11 ข้อนั้นเองนําเอาไปปฏิบัติกันนะคะถ้า